ทำแท้งและสารพันปัญหาชีวิตกับการตัดสินใจทางการแพทย์ต้นฉบับปรับปรุงใหม่จากหนังสือเรื่องทำแท้งตัดสินอย่างไรชีวิตเริ่มต้นเมื่อไรและการทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนาปตกะถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโสดาจารย์ประยุทธ์ประยุตโตซึ่งขณะนั้นอยู่ในสมณศักดิ์พระเทพเวทีจัดโดยชมรมพุทธธรรมศิริราช โรงพยาบาลสิริราช25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ขอจเจริญพรท่านอาจารย์แพทย์และแพทย์พยาบาลผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพมาด้วยความเข้าใจว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งคือเข้าใจว่าชื่อเรื่องเป็นอย่างนั้นทางนี้เพราะไม่ทราบชัดหรือจำไม่แม่นว่าตั้งชื่อว่าเรื่องอะไร เมื่อฟังท่านผู้ดำเนินการจึงทราบชัดว่าเป็นเรื่องชีวิตเริ่มต้นเมื่อไรแต่ก็ไม่เป็นไรชีวิตเริ่มต้นเมื่อไรก็สัมพันธ์กันไปกันได้กับเรื่องการทำแท้งเพราะว่าในเรื่องการทำแท้งปัญหาสำคัญก็อยู่ที่ว่าชีวิตเริ่มต้นตรงจุดไหนและเป็นคนเมื่อไรนั่นเองจุดวินิจฉัยสำคัญจึงอยู่ที่นี่เท่าที่จำได้คุณหมอภูมาราเคยปรารฏเรื่องนี้ และคุณหมอ ก, กันจนาก็อยากให้มาพูดเรื่องนี้ทีนี้ก็เลยมาพูดในงานของจุมนุมพุทธธรรม